เป็นพระราชาที่รักลูกมากที่สุดในชีวิตเหาือนันเถอะชีวิตนี้รักลูกมากที่สุดถ้าทุกอย่างครัเรื่องลูกและทำได้หมดเหือนนพระองค์ก็เลยพาพระราชโอรสเนี่ยไปในอิรยาบททั้งปวงสรุปว่าไปไหนไม่เคยห่างลูกแม้แต่ครั้งเดียวในวันหนึ่งพระองค์เมื่อเสด็จไปสู่พระราชอุทยานวันนั้นเกิดไม่พาพระโอรสนั้นไปด้วยลืมพาลูกไป พระกุมารก็เลยสิ้นพระชนด้วยพญา ท, ที่เกิดในวันนั้นเท่านั้นลูกนี้ก็อดแอดเหลือเกินนะนะไม่เห็นหนา้าพระราชชีวิดาวันเดียวสวสรรค์นัเลยสิพระชนเลยอํามารก็เลยคิดว่านี้ถ้าเราบอกตรงๆเนี่ยนะหัวใจของพระราชาแตกแน่เพราะรักลูกมากเหลือเกินเนี่ยนะความสเสน่หาในพระราชโอรสเนี่ยนะนะเพราะว่าพระราชารากักห่วงใยลูกคนนี้มากที่สุดนี่ถ้าบอกว่าพระราชโอรสตายเนี่ยพระองค์จะเป็นอย่างไร ก็เลยไม่ทูลบอกพาการถวายพระเพลิงพระราช้อรสนั้นเสียช่วยกันเผาเรียบร้อยเลยนะเพราะไม่มีสวดอธิธรรมสวดไม่มีสักอย่างเอาไปเผาเลยตายแล้วทําอะไรได้พระราชาก็เลยวันนั้นหมดแต่เมาวันนั้นไปเที่ยวสวนก็เลยเมาแสดงว่ามีพวกบริวารเนี่ยเดือให้แกล้งให้พระราชาดื่มซะจะได้ลืมลูกเหมือนกัน แล้วก็เมาด้วยน้ำจันท์ในพระราชธิญาไม่ระลึกถึงพระราชโอรสมัวแต่เมาเลยลืมลูกหมาเลยไอ้น้ําเมานี่มันร้ายมากนะรักลูกมากกันนะรักเสมอด้วยชีวิตเมาแล้วลืมลูกมาเลยในเวลาสงสนารนและเสวยเป็นต้นทั้งเวลาอาบก็ไม่ลืมลูกเวลาเสวยอะไรก็ไม่ลืมลูกเพามัวแต่เมา ว, วันที่สองก็ไม่ระลึกอีกเหมือนกันเนี่ยนะครั้งนั้นพระองค์เสวยพระกญาหารประทับนั่ง นะหลายวันผ่านไปกันเลยแลลึกถึงได้แล้วลึกถึงลูกบอกนี่เป็นนําบุตรของเรามาอาห ม, มาก็บอกเรื่องนั้นนะเล่าให้ฟังเรียบร้อยพระองค์ก็ถูกความโศกครอบงําประทับนั่งเท่านั้นเสียใจมากเลยนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตได้อย่างลงสู่ใจของพระราชานะก็อย่างว่านะคนที่สังสมอุปนิสัยที่จะออกจากวัตฏาเนี่ยนะโสกปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตเกิดขึ้นเท่านั้นแหละ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 ทุกขโทมนัสอุปายาตไม่มีเพราะอะไรไม่มีก็เพราะไม่มีชราและมรณะแล้วธรรมชรามรณะจะไม่มีก็เพราะไม่มีชาติชาติไม่มีก็ต้องไม่มีพบเป็นต้นจนถึง่นแหละถ้าสังอวิชาไม่มีสังขารก็ไม่มีก็เห็นว่าถ้าสัมรออวิชาดับอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับเป็นต้นก็เลยมนัสการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมมนัสการทั้งโดยประวัตตนิวัตต ทั้งโดยอริยสั์ทุกแง่มุมก็ตรัสรู้เป็นพระปจเจกพับพุทธเจ้าของเราก็เรียนมาแบบเดียวกันท่านนะทำไมเราหยุดเฉยๆกันนะ <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านไปทางไหนแต่ว่าเราไม่ไปตามนะลบอกเดี๋ยวๆขอเรียนทางไว้ก่อนยังไม่ได้ไปอนะไรไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นองนะ <c oughs> ก็เลยในคาถานี้มีมีคำกล่าวในคาถาว่า การเล่นการยินดีมีอยู่ในถามกลางแห่งสหายแต่ความรักในบุททั้งหลายเนี่ยมีมากบุคคลเมื่อเกลียดความพลัดพาดจากของที่รักพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอรล้ฉะนั้นจำไว้เถิดนะว่าถ้าเกลียดความพลัดพาจากสิ่งอันเป็นที่รักต้องเจริญมรรคแบทอย่างนั้นนะ่ะก็บอกว่ารักมากก็เมื่อพลาดมากก็เสียใจมากโศกมากเศร้ามากทุกมาก เพราะอะไรเพราะจากบุตรอันเป็นที่รักถ้าเห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักเที่ยวไปในมรรคแปดเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สงบกิเลสไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉะนั้นนะนตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่พอใจกันเช่นอยู่กับบุตรใช่ไหเวลาเล่นก็เล่นกับลูกเป็นต้นเนี่ยนะเล่นทางกายพูดหยอกเย้าทางวาจา